จเจริญพรโยมใครฟังธรรมะหลวงพ่อนะเราจะแข็งแรงอย่างน้อยต้องตื่นมาแต่เช้านะบางคนก็จอดรถอยู่ไกลเดินเข้ามาเป็นกิโลเลยนะอันนี้เห็นจอดรถหยุดใกล้ๆบิ๊กซีก็ก C, มีเขเดิน อ, ออกกำลังตั้งแต่เช้านะแข็งแรงถ้าตื่นเช้าๆแล้วก็มีเวลาเดินทุกวันก็จะแข็งแรงนะ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 เรายิ่งจมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถอยู่กับทุกสิกทุกอย่างได้นะอยู่กับสภาวะทั้งหมดเลยที่ปรากฏต่อหน้าต่อ ต, อตาเราอยู่กับมันได้อย่างเป็นกลางเราจะไม่ทุกข์นะสภาวะนั้นเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ด้วยนี่หลวงพ่อเมื่อสองวันนี้มีคนเอาหนังสือไปให้เล่มหนึ่งชื่ออะไรนะธนาคารความสุขนี่ของโคศกนี่เป็นคนเขียนเขียนดีนะ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 ตรงที่จิตขึ้นมารับอารมณ์ขึ้นมาเซฟอารมณ์ขึ้นมากระทํากรรมทั้งหลายเนี่ยจิตกลุ่มนี้เขาเรียกว่าชาวนาจิตพอมันทํากรรมตามสมควรแล้วนะมันจะเริ่มเซฟ ต, เตัวเองตัวนี้เรียกว่าตาธาลำพนาจิตเราไม่จําเป็นต้องจําชื่อนะมันคล้ายๆตอนเราปิดคอมพิวเตอร์ตอนชัดดาวนะเทิร์นออฟเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะทํางานอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะปิดตัวเองลงไปจิตก็ทําแบบนั้น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 แต่เราฝึกฝนให้จิตดีได้เราห้ามจิตไม่ให้ชั่วได้แต่เราฝึกตัวเองได้ฝึกจิตได้ว<ะ>ิธีฝึกจิตที่จะไม่ให้หลงไปตามความชั่ววิธีฝึกจิตที่จะให้มันมีคุณงามความดีก็คือการมีสตินั่นเอง <c oughs> ทันทีที่เรามีสติอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีน <c oughs> ทันทีที่เรามีสติอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้น <c oughs> ทันทีที่เรามีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสตินั่นแหละเป็นตัวกุศล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 เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณ น, นะมันจะรู้สึกเลยนำอยู่ส่วนหนึ่งรูปอยู่ส่วนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งทันทีที่แยกขึ้นมานี้เราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจนี้ส่วนมากจะเห็นกายก่อนนะจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าถัดจากนั้นก็จะเริ่มเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราขันห้าเนี่ยเริ่มกระจายตัวออกไปทําไมต้องดูขันห้าให้กระจายตัวออกไป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 สัญญาที่เข้าไปหมายว่าขันห้าเป็นตัวเราแล้วนะเพราะไปมองมันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าสัญญาวิปปลาสเป็นไงพวกสัญญาวิปลปลัสนะปู่ทุชนทั้งหมดสัญญาวิปปลาสนะไม่ได้แปลว่าบ้านะแต่ว่าเห็นไม่ตรงความจริงหมายรู้ผิดๆเราไปหมายรู้เอาก้อนธาตุเนี้ยเป็นสมบัติของโลกนะวัตถุธาตุก้อนเนี้ยเราไปหมายอาว่าเป็นตัวเรานี่นี่คือร่างกายเรานี่เรียกว่าวิปปลัสแล้วไปหมายผิดๆเลย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 ของชาวพุทธนี่วิพัฒชวิตีจับแยกออกไปเหมือนเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์อย่างแท้จริงพอจับมาถอดเป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมไอ้ น, นี่ลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถใช่ไหมไอ้ น, นี่พวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่รถนี่ตัวถังตัวถังก็ไม่ใช่รถถ้าทุกอย่างมารวมกันแล้วมีรถขึ้นมาหรือบ้านใช่ไหมพอจับถอดเป็นชิ้นชิ้นจะไม่มีบ้านไอ้ น, นี่คือหลังคานี่คือเสาไอ้นี่คือพื้นนี่คือวงกบนี่ประตูหน้าต่าง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 เข้าใจไม่ได้ตอนนี้คนจํำนวนมากที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเข้าใจเป็นแล้วแล้วก็ฟังธรรมมาที่มันประณีตขึ้นไปได้หลังจากนั้นน่เราดูหลงไอีกเราจะเห็นสภาวะแต่ละอนเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปแต่เป็นโคล่านโคลานอย่างเราขยับมือเราจะเห็นมันเกิดดับเหมือนรูปกระตูนเลยนะเห็นดับชุบๆเป็นชอดๆไปเลยนะเห็นอย่างนี้พอเห็นมากเข้ามากเข้าต่อไปใจเริ่มตัวเราหายไปไหน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 จิตสั่งร่างกายโดยตรงร่างกายไม่เอาด้วยหรอกอาศัยสมองเป็นทางผ่านเราจะเริ่มรู้สึกแล้วเออร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นนะนอนอยู่ก็ทุกข์นะนั่งยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนะจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ตัวเรานะตูไปเรื่อยๆ พอเผลอขึ้นมาก็มีตัวเราพอมีสติขึ้นมาตัวเราก็าหายไปแต่ไม่กลัวละคราวนี้ไม่กลัวละดูไปดูไปในสุดปัญญามันเริ่มแจ้งขึ้นมามันจะเห็นว่าทุกสิ่ ง, งเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกขก์เกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอใจมันรู้ตรงนี้ใจมันยอมรับตรงนี้นะความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปรักษามันหรือความสุขไม่เกิดจิตก็ไม่ดิ้นร ความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดนะไม่ดิ้นรนที่จะผลักดันมันหรือความทุกข์ยังไม่เกิดนะก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปป้องกันมั น, นจิตหมดการดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิตหมดการทํางานจิตเหลือแต่คําว่ารู้แล้วสักว่ารู้เมื่อรู้แล้วสักว่ารู้เนี่ยจิตไม่ปรุงอะไรต่อะจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเหมือนเราดูหนังนเห็นภาพในจอหนังผ่านไปเรื่อยๆ ในใจก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองนคนตูนหนังแล้วอินใช่ไหมก็รู้สึกว่ามีพระเอกมีนางเอกจริงๆถ้าไม่อินก็รู้ว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อเราเจริญสติเจริญปัญญามาถึงจุดที่หลวงพ่อว่านี้แล้วนะมันจะเห็นว่าปรากฏการ์ทั้งหลายที่ไหลผ่านมานี้เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองใจจะไม่อินเข้าไปใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเมื่อใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสติปัญญาเราแก่รอบพอเนี่ย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 แกระแสของความรับรู้ออกไปรู้สภาวะภายนอกแต่มันรู้แล้วสักว่ารู้อย่างแท้จริงครานี้รู้อยู่ในอัปปนาสมาธินะรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติสักนิดเดียวเลยตรงนี้ขั้นไม่มีสมมติบัญญัติล้จิตจะมีขันติอย่างยิ่ง mm. คือจิตนี่นะจะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเรา จิตไม่ถูกอะไรมาเร้าให้วิ่งตระเลิดเปิดเปิงออกไปอีกนะแต่มันแค่ส่งกระแสออกไปตัวมันอยู่นี่นะตั้งมั่นขึ้นมานแต่มันยังส่งกระแสออกไปเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราลืมตานะเรามีกระแสแห่งความรับรู้ไหลออกไปทางตาพอไปเห็นสภาวะเกิดดับนะบางคนเห็นสองขณะบางคนเห็นสามขณ ะ, ะแล้วก็แจ้งอริยสัจขึ้นมา น, นี่ถูกท้งนั้น มันจะทวนกระแสนะมันจะตัดกระแสที่ส่งออกไปมันจะทวนเข้าหาธาตุรู้ทวนกลับเข้ามาหาจิตนั่นเองหลวงปู่ดูลถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเพราะมันทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจเนี่ย น, นะคราวนี้แหละสัมมาส ม, มาธินะมันจะประชุมองค์ทำฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยเข้าด้วยกันคล้ายๆอย่างเรื่องโ่วยเสียนนะคล้ายๆเรื่องป่วยเสียนมีแปดตัวเท่ากับมรรคเลยเสียนตัวใดตัวหนึ่งสู้ปีศาจไม่ได้ ต้องแปดตัวรวมกําลังเป็นหนึ่งนะถึงจะสู้ได้เห็น mm hmm. ไหมจิตนี้ก็เหมือนกันนะองค์ของมรรคทั้งหลายเนี่ยถ้าต่างคนต่างกระจัดกระจายอยู่ไม่มีพลังที่จะไปสู้กับสังโยชน์ได้หรอกนะแต่ถ้ามันรวมลงที่จิตอันเดียวนี่แหละนะรวมพลังของมรรคทั้งหมดเลยรวมทั้งโที่ปักคีย์ธรรมสามสประการนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง37นะตั้งแต่30มกว่าขึ้นไปเนี่ยประชุมลงที่จิตนะในขณะจิตเดียวกันนะั้นมีพลัง ที่จะทำลายล้างวัตจักนีนะ้เบื้องต้นทำลายไม่ได้จริงนะ <c oughs> แค่กรีดมันขาดออกไปเหมือนเราเอาไม้อันหนึ่งกรีดลงไปบนผิวน้ำนะมันแหวกออกไปมันแหวกได้ชั่วครั้งชั่วคราวม่ก็กลับมาปิดอีกกนระีคดครั้งที่สองเอาไม้กรีดสั้นไปเอาเล็กไปนะครั้งที่สองพลังมันรุนแรงยิ่งขึ้นนะมันก็ทางออกไปมากขึ้นนะก็กลับมาปิดอีกนะครั้งที่สามนะ้มันเหมือนครั้งที่สก็แรงขึ้นนะครั้งที่4เนี่ยมันเหมือนถล่มทลายโลกเลย วัฏจักรมันจะกว่ําลงไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาปิดอีกละจิตซึ่งมันไม่ถูกอะไรปิดเนี่ยมันจะดีดตัวผางขึ้นมานะเต็มโล ก, กธาตุเลยนะในภาษาปริยัติเรียกว่าวิมาริยาที่กัดจิตจิตนี้ใหญ่เต็มโล ก, กธาตุนะไม่มีอะไรครอบงําอีกเมื่อมันเต็มโล ก, กธาตุแล้วไม่มีการไปไม่มีการมาใช่ไหมที่มันไปไ ป, ไปมาม า, มาได้เพราะมันเล็กถ้ามันใหญ่เต็มอย่างหลวงพ่อตัวใหญ่สมมติหลวงพ่ออ้วนเต็มสาลานี้นะหลวงพ่อจะกระดิกไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเต็มแล้ว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 แนวไหนจริงๆที่เหมาะกับจริตของตัวเองนะคะของคุณนะก็ฝึกอย่างนี้แหละออกมากระทบกับโลกบ่อยๆหนะ่อยกระทบสัมผัสไปคุยกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างให้ใจมันเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้สึกเอานะช่วงนี้ไม่ควรปลีกตัวหลบไปอยู่คนเดียวหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำสมาธิทำสมถะแต่สมถานะั้นต้องสมถะชั้นดีนะถ้าสมถะประเภทน้อมให้ใจซึมเ ง, งี้ยอย่างนี้ไม่เอานะสมถารู้เนื้อ ร, รู้ตัวไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะ ตรงนี้แข็งไปเมื่อกี้เนี่ยเราทําให้หลวงพ่อดูซึ่งทสมถะทําแบบที่เคยทําเลยเออ<ช>ทําแบบที่เคยทำแหละแล้วจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมน้อมใจแล้วรู้สึกไหมตรงนี้เลิกซะเพราะทําอย่างนี้ได้แหละมันถือไม่เกิดสติปัญญามันจะไปนิ่งนะนั่นต้องออกมากระทบอารมณ์นะเคลื่อนไหวไปเอาใหม่ทำมํำไม้อย่าน้อมลงไปเริ่มน้อมลงไปแล้วรู้สึกไหมถอยขึ้นมาอย่าน้อมลงไป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 ดูออกไหมจิตหนีไปคิดแล้วคิดนิดหน่อยคะ่ะยังจะนิดหน่อยอีกคิดก็คือคิดนั่นแหละเนี่ยให้รู้ทันลงไปนะเนี่ยรู้สึกไหมจิตเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่าให้มันนิ่ง <c oughs> อย่าให้มันนิ่งนะที่ทํามามันนิ่งเกินไปมันน้อมเข้าหาความซึมเท่า <c oughs> กับที่ทํามานี่ไม่ไม่ถูกเลย <c oughs> ใช่ไหมคะหลวพ่อไม่อยากพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนะ <c oughs> ยเสียกําลังใจ <c oughs> พยายามรู้สึกนะ <c oughs> เคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะ ว่างๆเขาไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรที่บ้านอารีนะสงสัยบ้านอารีคงแตกสักวันหนึ่งใหม่คงรับไหวนะการเรียนนมัสการหลวงพ่ออยู่ไหนช่วยยกมือมองไม่เห็นผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วผมปิง้งปิ้งขึ้นมาแล้วผมก็าหาซีดีหลวงพ่อฟังมาตลอดครับทั้งเวอร์ชันสาลาลุงชินกับเวอร์ชันสวนสันติธรรมครับ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 หนูมีอาการเบาสบายไม่มีมอาการโมหะจริกัครอยู่สามวัน<ม>แต่นีหนูนเข้าใจเข้าใจถึงอํานาจของพระพุทธคุณหนูก็ปฏิบัติมาตลอด<ม>แต่นี้พอเข้ามาทํางานเรื่อยๆเนี่ยระหว่างหน้าที่การงานคือหนูเป็นคนตั้งมั่นในความกตัญญูคือ<ม>แต่กตัญญูทุกๆทุกอย่างที่ที่ที่ที่<อ>ทมีเง ย, ยนะใช่ไหะแต่นี้หนูไม่เข้าใจผู้คนว่าทําไมบางครั้งเนี่ยเออ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 <c oughs> อ้าวว่าไปเอาย่อๆคราว <ๆ S 2> นี้ครับกับนำ้ำมันส ก, กัดนะหลวงพ่อคือผมจะมาส่งการบ้านด้วยนะครับที่จะได้รับคําแนะนําจากหลวงหลวงพ่อครับว่าไม่ไม่ผมพากายไปเดินี่เยอะกายขึ้นไหวรู้ตัวหันซ้ายหาันขวารู้ตัวครับอันนี้ผมก็ลองลองทําพอกายขึ้นไหวแล้วก็จิตมันก็จะตามตามไปรู้กาย <c oughs> ยกยกแขนมันก็จิตมันก็แนบกับการยกแขน <c oughs> เอาใหม่นะ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 ให้ความเครียดในเรื่องงานแล้วก็กลับมาบ้านมันก็จิตมันแวบไปคิดเรื่องงานพอปุ๊บมันไปคิดเรื่องงานมันจนผมอยากให้มันจิตมันหายหายอยากความคิดนี่ครับแต่ว่ า, ามันต้องใช้หลายวันเลยครับเราภาวนานะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจนะครับเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ครับการที่เราอยู่บ้านจิตหนีไปคิดเรื่องงานทาั้งๆที่ไม่อยากคิดเราห้ามไม่ได้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 อ๋ครับแล้วผมควรใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่啊ครับของคุณดูจิตไปเลยจิตของคุณมันแกว่งเหมาะกับการดูดีอ๋อครับแล้วกายนี้ก็ต้องยังยังยังต้องดูต่อไปด้วยใช่ไหมครับกายนะ่าต้องดูนะถ้าไม่รู้เลยเดินตกสะพานตกน อ, นอ๋อใช่ใช่<ป>ใ ช, ชครับนะหลวงพ่อครับแล้วสุดสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมผมต้องอทำสรรมถะได้ไหมครับของคุณตอนนี้เว็นไปก่อนนะของ ค, คุณไปเดินจงกรมดีกว่า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 ไม่ต้องกลัวจิตโง่คือพยายามฝึกไปใช่ไหมคะว่าอย่างนี้เราก็สะสมไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแค่นั้นพอละไปคนต่อไปขอบคุณเจ้าค่ะมีไหมจับเรียงกันไว้หรือเปล่าวันนี้อ๋อวันนี้เรียงเหรออาจารย์หลวงพ่อค่ะลู้มานครั้งแรกเลยค่ะดีใจะที่ได้มาได้พบอาจารย์ใจลอยปแลวใจลอยละรู้สึกไหม ดีใจแล้วก็เลยใจหนีปึ๊บขึ้นหลังคาไปเลยเนี่ยคอยรู้ลงไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่างนะเวลาทำกรรมฐานในส่วนมนต์กลางๆวางเฉยๆนะคะไม่เยียนแม่อะไรอย่างเี้ยตอนไปนี่ไปสวดมนต์มากๆนะไปสวดมนต์แล้วก็สังเกตใจ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 แต่ไม่ใช่เอาตรงนี้เป็นข้ออ้างนอนทั้งวันเลยน ะ, ะ <c oughs> เพื่อจะได้ดูง่ายดูไม่ได้เลยค่ ะ, ะแล้วก็อยากกลับทมอีกสองข้อนะคะคือว่าการปฏิบัติแบบไหนที่ตรงกับของคุณนะของคุณจิตมันทาสมาธิมามากแล้วของคุณก็ออกมารู้กายเลยเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเราจะขจัดความเรารู้ว่าใจกับ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 พยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆอจนใจมันตื่นอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ได้เยอะๆเนี่ยรู้สึกไหมขนานี้ตื่นมากกว่าใมกี้แล้วเห็นไหมพอมันตื่นขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมามันจะโล่งขึ้นมาน้อมให้ซึมไม่ได้น ะ, ะเดินปัญญาไม่ได้อะต่อไปกับน ว, วัสกาหลวงพ่อคะ่ะหนูขอสองคำถามคะ่ะหนูไม่เคยถึงถึงวิธีการปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะ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 อยู่เฉยโกรธตัวเองก็มีโกรธที่ตัวเองโกรธไปอย่างเงี้ยเออนะให้รู้ทันไปเรื่อยเรื่ออันนี้คือดูจิตหรือเปล่าคะใช่แต่ว่ารู้ร่างกายไว้ด้วยนะใจจะได้มีกําลังรู้สึกไหมจิตขณะนี้มีแรงมากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะแต่นี่มันไม่ใช่แรงของเรานะมันแรงเพราะว่ามามองหน้าหลวงพ่อเราต้องไปรู้สึกร่างกายเราไว้หลวงพ่อคะเวลาภาวนาในรูปแบบอะค่ะรู้แบบเบาๆ ร, รู้ว่ารู้ว่าจิตคิดแต่ส่วนใหญ่มันจะไหลออกมาเป็นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องค่ะอืออก็ถูกแล้วล่ะจิตมันก็ทํางานของมันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องที่จะไหลเนี่ยก็จะเห็นไหวๆค่ะนั่นแหละไหวๆมันคือไหลแบบอ่อนนอนะมันก็คือไหวปฏิบัติแบบนี้พอจะได้ไหมค่ะหลวง<ช>พ่อใช่ได้ใช่ได้พอนอื่นทาอื่นๆไม่เป็น อ, อพยายามเนี่ยเมื่อกี้สั่นหน้ารู้สึกไหม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 ยังไงมันก็ต้องออกอะอขอบคุณค่ะธรรมส ก, การค่ะ อ, อาจารย์คือหัดเพิ่งหัดดูจิตมาพอใช้ได้แล้วนะที่ฝึกอยู่อะรู้สึกไหมเห็นกิเลสบ่อยๆรู้สึกค่ะรู้สึกไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งยังค่ะนะก็คอยดูไปนะเห็นไหมทุกอย่างเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละภาวนาเป็นละอ๋อค่ะ แล้วบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเฉยมากเลยอะรู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าเฉยเฉยอะค่ะไม่เป็นไรเฉยเยรู้ว่าเฉยนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะค่ะแล้วบางบัตขณะก็รู้สึกอ ย, อย่างจิตที่เฉยเฉยะถ้าจิตเหมือนตอนเนี้ จ, จะเฉยเพราะประคองไว้นิดนึงโอเคนะถ้าไม่ประคองไม่เฉยหรอกค่ะนะเราเมื่อเช้ามีความรู้สึกว่าพอตื่นมาปุ๊บใจมันท่องว่ากายนี้เป็นทุกข์อื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 วิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเผลอเมื่ อ, อไหร่นะมันก็ขย้ำเอาค่ ะ, ะคือถ้ารู้ว่าจงใจก็แค่รู้ไปใช่ไหมใช่ดูเป็นแล้วนะดูเป็นแล้วดูต่อไปอีกเจ้าค่ะครัอบอ่าต่อไปการนวัตกรรมครับอาจารย์คือผมว่าผมตัดโรบโกดลงนะผมว่าผมก็ตัดได้เยอะนะครับ<ม>เพราะว่าปฏิบัติมาก็พอสมควรนะครับここทีแรกก็จะเป็นสมถะเพิ่งจะมา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 ตัวที่สามเนี่ยคือตัวที่เกินมาไม่เอานะกลาขอบพระคุณครับในมรดกการ์ค่ะหลวงพ่อไหนไหนไหนออคื อ, อ, อลูกเริ่มดูฟังซีดีมาประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่ามารู้ตื่นเอาตอนประมาณช่วงกรกฎาคมค่ะคือเห็นความโกรธที่รุนแรงแล้วก็จะเห็นความยินดีแล้วก็มีอยู่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 แตงไม่พอมันเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วแต่จะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้ไกาดูรู้กายได้ได้ได้ง่ายนั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกไว้มันจะได้กําลังขึ้นมาคดูจิตไปรวดเดียวเลยนะถ้าไม่เคยทําสมาธิมาก่อนพอดูจิตไปนานๆเมื่อที่หมดแรงพอหมดแรงแล้วเหมือนดูจิตอยู่แต่ว่าดูไม่ถึงจิตแล้วค่ะอไปต่อไปกับน้มัสการของพ่อครับเอผมฝึกตามดีดีแล้วก็ ซื้อหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งมาครับทําไมต้องซื้อเขาก็แจกกันเยอะแยะก็ขะก็เพิ่งฝึกได้4เดือนนะครับก็ไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องที่ปฏิบัติก็ฟังสิ้นแล้วก็เห็นก็เห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมและก็ความทุกข์เห็นแต่อะไรนะครับเห็นอะไรนะความทุกข์ครับอ๋อความทุกข์ก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนะก็รู้ไปครับ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 ยถาว่าริวาฮาปุราปริปุเรนตีสากระหลังเอวเมวายโตทินนางเฟตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันนารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาสู้ตายอย่าเสียชาติเกิดนะต้องทำ